เออมั น, นี่พี่ท่านพระอาจารย์สงบวัดหลวงปู่เขียนของเฮาบ้านพ้นใน้าคณะสัทธายาญญิโยมมากลาวะหลวงพ่อคลาวะกู้บาอาจารย์ลูกศิกว่าอุ่นน้ฟ้าขั่งพี่น้องลูกหลานคณะสัทธายาิโยมเต็มชาลามือเนี่ยแล้วนี่เป็นประเภทนี่อันดีงามตั้งแต่ยุคสมัยหลวงพ่อ เป็นแน่นีเป็นคูบาหน่อยอยู่กับหลวงปูลาขนาดสมัยนั่นผู้เจ้า ก, ก็พวกคณะัาติญาติง่วงกวคงจะ <c oughs> เคยไปเห็นถนนขนทางบะมีเลยแต่ก็หลวงปูพยังดนันดันผ้าแน่นหน่อยไปกราบคารวะคู่บาอาจารย์ในที่นั่นมีหลวงปูจาำ ม, มีหลวงปูกลงแก้วมีหลวงปูข่ํา พระเถระผู้ใหญ่ในที่นั่นลงปูพันผ้าไปกาบคารวะไอไปนั่งคืนคนได้นไอไปนอนคืนคนต่อไปนอนเทอะสองสามคืนคนะน่ะมันกลับมาบาไหวมันเมื่อยพ่อไปห่อนแล้วไปคารวะผู้บอาจารย์แล้วก็กลับมาแส่วนเพินก็สนทนากันละบาลเลยสนทนาเรื่องลักพระธรรมวิในใัยบงังศิคขาบทนั่นศิคขาบทนี่วิในใัยตอนนั่นตอนนี่ มีผู้พี่ความเห็นยังสั่นจังสี่ในมูของเฮ้านะสิเพลินกับสนทนากันส่วนเฮ้าเป็นแน่ น, นอยู่กับ น, นางฟังออกจากนางฟังเมื่อเลยเกิไปหาพักท่านนะ่ะเพลินพิจารณานากันอ่าึกศึกษาปลารบกันเรื่องรักธรรมวินัยน่านที่พกเนจะได้ไปเจอกันบุกคื้สมัยนี้สมัยนี้บ้านเมืองเจริญไปงายมากงายแล้วก็ตํารับตำล่า หนังสือพระไตรปิฎกมีครบกับทุกวัดจะศึกษาพระวินัยขอใดคนตํารับตำล่าใดคู่มือนี่แต่ว่าสะดวกสบายจะพูดแล้วบ่เหมือนสมัยก่อนแต่ว่าถึงยังไงสมัยก่อนพจนกระถือเป็นประเภทนี้ไปกาบไปไหวค้คูบาอาจารย์หมดหนามําหัวนี่ยไปคลวะแต่คูบาอาจารย์พูดว่าไปทำวัดสมัยนั้นนะไปทาวัด แต่ทุกวันนี่มาทำวัดนี่คือทำวัดเช่าทำวัดเย็นแต่ว่าเพนไปคารวะะเปลี่ยนไปคารวะอันนี้พวกเฮาสัทญาตนุ่งกว่าคงจะไปหลายวัดแล้วข้าวนี่ไปกาบไปไหวค้คูบายจานลวดแล้วจะเป็นศิลปเป็นมงคลแล้วก็พร้อมกันกับเป็นการทัศนศึกษาไปวัดนั่นเหน็นนั่นไปวัดนี่เห็นอันนี้ยังมาวัดหลวงพอ่อเคเห็นอ่า ตนใหม่เห็นซ า, ซาลุงซาลาเห็นของพระประทานนี่แหละเป็นการทัศนศึกษาของพวกเข้าถ้าว่าพวกเข้าอยู่แต่ในบาทพวกเขาก็พอเห็นยังเห็นแต่อยู่ในบาทผมมีการพัฒนาแต่ถ้าว่าพวกเข้าเห็นในสถานที่ต่างๆพวกเขาก็จะได้พัฒนาทินฐานบ้านของเข้าบ้านเฮือนของเขาวัดว่าศาสนาของเข้าให้คือเพิ่น เรือว่าให้ยิ่งกว่าเพิินไปเห็นบางวัดโอวัดนี่สูเข้าพอได้ของเข้าเหนือกว่าแต่ไปรู้บางวัดเออคือกันกับวัดเท่าอย่งนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือการไปเบึงไปทัศนศึกษาเกิดประโยชน์แล้วก็พร้อมกันกับไปเพื่อการบํำเพ็ญกุศลไปไหวไปกราบไปไหวคู่บาอาจารย์ไปไหวพระสงฆ์ ผู้บาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจังว่าสมมนานันจะทัศนนั่งการได้เห็นสมณนผู้ปฏิบั ต, บตบนนิดเตีเป็นพระเป็นเจ้าเห้าก็ได้บุญได้กุศลเพราะนั้นเพลินจึงให้ไปกราบผู้บาอาจารย์ไปแล้วไปแล้วก็บางข้างเห้าก็จะได้ฟังถ้ำคํำสอนของเพิินเพลินจะได้เทศเพลินจะได้อบรมแนะนาสั่งสอน ที่พวกเข้าโได้รู้เขาก็ได้รู้เข้าบดได้เคยได้ยินก็บเข้าก็จะได้ยินเพราะอาศัยการได้ยินได้ฟังพวกเข้าจึงจะเฉลียวฉลาดจึงจะรอบรู้ได้คานว่าพวกเข้าบอได้ยินได้ฟังถ้ำขําสอนเนี่ยเข้าจะรู้บดได้เลยเนีในหลักถ้ำขําสอนของพระพุทธเจ้าเพนว่าอันในสงแห่งการฟังธรรมหาย่างหนึ่งผู่ฟังถ้ำ ยอได้ฟังสิ่งที่ยังบกเคยได้ยินได้ฟังอ่งสองสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเข่าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นขอที่สบรรเทาความสงสัยเสียได้คือบรรเทาความสงสัยใคยๆก็ว่าเฮามีความสงสัยโยวางเลือกแต่พอได้ยินครูบาอาจารย์เบอกให้ฟังเอออันนี้มดความสงสัยบรรเทาความสงสัยเสียได้ขอที่4ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ แล้ก่อนเข้าเห็นผิดวันไปแต่พ่อมาาฟังอีกเหมือนเออครูบาอาจารย์เพิ่งบอาตามรักธรรมขั้มสอนเห็นถึกอถูกระบาดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทั้งสี่นายจะเป็นทั้งสี่นะขอที่หาคณะฟังฟังอัดฟังธรรมจิตของเขาก็ได้รับความพองใสพอได้ฟังธรรมขั้มสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้อันในสงแห่งการฟังธรรม แล้วเพื่อย้ยำอีกว่าพวกเขาเนี่จะมีสติปัญญาไดต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะว่าสุดตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาคให้กวนทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วนั้นภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เนิ่ง สักก่อนแล้วก็นำมาพิจารณาไตรตองเหตุและผลอันนี้เพื่อว่ารักถ้มคําสอนของพระพุทธเจ้าชุดธรรมะปัญญาจินตามะยะปัญญาภาวนามยะปัญญาภาวนาปัญญาปัญญานี่เป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาควนจะต้องท้าจิตใจให้สงบสักก่อนหนึ่งสักก่อนยังค่อยนํามาพิจารณาถัดขันพิจารณาอายตนะพิจารณาถึง อสุภปฏิกูลพิจารณาถึงความเกิดแก่เจ็บตายความบะเทียงอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าหาว่าจิตใจของเฮ้าพวท่านสงบมันทรายแซ่ปีคิดปุ่งฝุ่งไปทั้งอื่นการว่าจิตใจเฮ้าผานความสงบแล้วนํามาพิจารณาเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นชิน่นเป็นอันเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือพวกเฮ้าต้องในอาศัยการได้ยินในฟัง จากคู่บาอาจารย์บังจากเทพบังจากหนังสือบังจากการศึกษาของพวกเข้าลงมือประพฤติปฏิบัติเองบ้างนี่แหละคนเข้าจะเฉลียวฉลาดจะรอบรู้ได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสรุปแล้วเพราะนั้นเพื่อนเจียงว่าไปศึกษากับคู่บาอาจารย์ท่านผู้รู้หรือว่าอ่านตำรับตำราถึงจะอ่านจากตำรับตำราก็เถอะอ่อานจากปัจจัยปีดก อ่านแล้วก็ยังสงสัยทาาว่ามีคู่บาอาจารย์นํามาประพฤติปฏิบัตินําเป็นผู้นั่มในการปฏิบัติพวกเขาก็จะปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกต้องอย่างวิธีการนั่งภาวนาเห็ุจังไรวิธีการปฏิบัติถ้ำเบื้องต้นเห็ุจังไรสมมติว่าพวกเขาเนี่เกิดมาอยัางสมัยก่อนหลวงปู่เสาหลวงปู่หมันเพลินมากเขามาทา้งทีนฐานบ้าน ของหลวงพอ่อทั้งบ้านหวยไส้ข้ามเชีีวันไปมุกดาหารเน่ยเพิ่นเขามาทินนั่นเพิ่นมากกว่ น, นี้น่ะมาแนะนําปู่ยาของหลวงพอ่อเนี่ยปู่ยาตาแยกของหลวงพอ่อเนี่ยเขามาพวกนั้นพวกผู้ไทยคือพวกเข้านี่แหละวันไปพวกไทยขําชีีนะีเนี่ยเป็นเาผาภูไทยถือผีได้เออถือผีวันเราไปผีบ้านผีเยาว์มีหมอเหาวมีหมอบ้านวันไปมานในเพิน่นเขมาแนะนําสั่งสอนเพิ่นว่าเออพวกเขาเน่ะ อย่าไปนับถือหรืออันผีนะให้นับถือพุทธะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตั้งสู่เองโดยชอบแล้วพระพุทธเจ้าได้ตั้งสู่แล้วมีพระธรรมคัมภีร์อ่พระธรรมคัมภีรของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่เคารพของทเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นที่ยอมรับของทเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพรอะนั้านห้สู้เจ้าทั้งหลาย นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะเลิดประเสริฐกว่าเพราะพระพุทธเจ้านี่ยเป็นผู้ตัดสรโลผัมีกิเลสราขะาโทสัโมหะบอมีแต่ส่วนผีสางนา่งไม่นั่นกิเลสมีได้มีกิเลสขันว่าเห่าเหตุถือใจผีก็ถือใจหันไปขันเหตุเท่าเข้าบ่ถือใจต้องกับเพชรมันก็พอถูกใจมันกับเพชรกัเพ้าอีกเข้าเลยเพชรอยู่มันอยู่เลย พ่อยนั้นอย่านับถือมั่นอย่าไปนับถือจริงที่มีกิเลสนับถือจริงจริงที่พระพุทธเจ้าเพอน่ะมัดกิเลสพระสงฆ์อรหันตสาวกมดกิเลสบ่มีราขะบ่มีท่าโทสะมีแต่หายผักขุนย่างเดียวบ่หาโทษเพ่อยนั้นให้คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานน่านับถือพระไตรยสาระคมเน่ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้แน่วแน่ถ้าหาว่าพวกเข้าบ่แน่วแน่น่อยบ่ได้เน๊ยแกล้กล้มึ่งกึ่ะเน่อย มันเขาบุญาณได้เพราะเขาบ่มีสัตว์มีจริงขันว่าเขานับถือถือจริงๆให้ปล่อยว่างให้ทิมบอกเลยว่าข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าได้รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเลิศประเสริฐกว่าทเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั่นจะเป็นผีสางนั่งใหม่พู้ใดก็ตามจะต้องนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เออพอพระพุทธเจ้าประทับประสงค์มัดกิเลสพ่อพี่ลาคาโทษสามโมหะแต่พูดผีป่าผีป่าผีโดงผีอะไย่งก็ตามลูกค้าเทวด า, าผู้มลุกค้าเทยวด่ า, าก็ตามยังมีกิเลสอยู่ให้โทษให้คุ่นแก่คนใดทว่าพ่อใจยังสิคือดีอกดีใจกันว่าพพ่อใจก า, การแก่งผู้อื่นได้เพราะนั้นข้าพเจ้าสิงนับถือผู้พ้นมดจดจากกิเลส ให้ยึดให้แน่นนะให้มันคล่องนะจากนั้นพ้นลงปูเสาลงปูปั่นก็ให้เอา้าวายพะระเพราะวายพระพ้นก็นสอนให้อรหังสวากาโตสุปฏิปโนอโจากนั้นพ้นกับวานะโมตัสสะขอนอบน่อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็นพุทธทั้งท่ามั่งสังข่างสรนั่งคัดชามิอ ดูตียำปิพุทธทั้งทำมั่งสังข่งสารนั่งคดชามิตะตียำปิพุทธทั้งทำมั่งสารนั่งคดชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึงนัตถิเมศรนั่งอันยั่งพุทธทวเมศรนั่งวอรั่งนัตถิเมศ็นรณะอื่นของข้าพเจ้าบวมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพร ะ, ระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า อันนี้แหยดพระพุทธเจ้าพระถรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเมื่อยึดพระไตรสระนาคมแล้วบาดเลยอย่าไปบอกวก่ผีสางนางใหม่นะ้ออย่าไปกินของดิบของใดนะ้อหลวงปูม่มันเพิรนสอนเลยอย่าไปกิดกินของดิบของใดน้ออย่าไปกิดของดิบให้กินของซุกเพราะเขาเป็นเป็นพทุทธบอเป็นยักเป็นโขอันนี้แหละหลวงปู่เพิรนสอนอสมัยนั้น ย่อมพอยมปูย่อมยาของหลวงพ่อเป็นเบาเลี่ยงลารับมาให้ฟังจากนั้นเพื่อนก็สอนธรรมะให้แกคณะสัตว์ท่ายาดโน้มระบัดเนี่ยเพื่นก็สอนวิธีการจากนั้นให้ไหวพระด้วยก่อนรับก่อนนอนให้ไหวพระแต่มีห้องภาคกระตามบ่กมีห้องภาคก็ตามยุ่งหัวหมองนอนหรือว่าจัดมองไหนมองนึงให้เป็นที่งองไหวพระ ขันเป็นไปได้ให้ร่วมกันอทั้งลูกทั้งทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกขันเป็นไปได้ขันบอมี่ยังกะให้แต่พ่อกับแม่หรือกัแม่หรือพอ่อผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้ไหวพระะกาบมงหัวนอนเจ้าของอหระผ่อนจะมีพระพุทธรูป ก, ก็ได้จะมีรูปพระก็ได้ออหรือขับอมี่รูปพระก็นึกในใจพระพุทธเจ้าอยู่ทุกแห่งทุกหนเอ พระว่าพระพุทธเจ้ายึดในใจของเฮาเนี่ยู่ทุกแห่งทุกหนหมดไปเฮาระลึกถึงย่มใดกือพระพุทธเจ้ายึดในหันละอยู่ในใจของเฮาเ enci, ฮากราบแล้วก็กราบถึงพระพุทธเจ้ารบริกราบผู้อืน่นหมดไปกราบพระพุทธเจ้าผู้มดจดจากกิเลสกราบพระธรำขั้มสอนของพระพุทธเจ้ากราบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติถีปฏิบัติชอบเมื่อกราบเช่นแล้วก็อลหังสวาขาโตสุปฏิปโ น, โนนโมตัสสะจากนั่นก็พูท่างทำมั่งสังข้าง สาราานั่งคัดฉาไม่ใจนั่งไก่แพรเมตตาเนอแพรเมตตาข้าวไปเจ้าจงเป็นทุขผู้อื่นจงเป็นทุกข้าวไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไดผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นจะเป็นผู้มะลุกคเทวด า, าจะเป็นผู้ผีปีศาจยังกระตามพี่ปอบผีก้าวยังกระตามทุกวิญญาณ ก, กา็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาอันนี้คือแพรเมตตา จิไใจให้อ่อนโยนให้เป็นมิตรเป็นสหายกับทุกวิญญาณบ่ให้เป็นผิดเป็นผ่ยกันบ่ให้ผูกอาคาดพยาบาทจองเวีนกับไผ่ท้งมดัดคนละอ อ, อันนี้เป็นวิธีการไหวพระจากนั้นวิธีเมื่อมั่นสงบบาตเนี่ยเมื่อมีภูพักปูนอน เ, ออเรียบร้อยจะได้ไดเอหรือว่าตอนเข้าทีนางภาวนาตอนใกล้แจ้งือตอนเที่ยงขึ้นตอนอะไรก็ตามแต่เมื่อหนึงกันนาจะภาวนาเนาะ สอนวิธีการภาวนายากหน่อยวั่นพระนึงแหวนพระนึงขนาดจะภาวนาพ่อไหวพระเสร็จเรียบร้อยไปคนจงบในบ้านลวได้กัางนางคัดสมาธินี่ยนางคือพระประธานนางสมาธิขาขวาทับขาซ้ายนางเนี่นะหันหนาไปทั้งหัวนอนของเข้านะพรอนางเลยกัพอนางเสร็จกับปนโนมเมอรอปนะนมเมอร์อมมอคนในระวางอก วัครูสกอนปโนมเมื่อขึ้นมากพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบคืออ น, นิวัยของพระพุทธเจ้าวัยพระธรรมวัยพระสงฆ์เพราะว่าเข้านังพระวนาเนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเข้าและ ล, ะลึกถึงพระพุทธเจ้าเข้าแลลึกถึงพระธรรมคัมศรนของพระพุทธเจ้าเขาแลลึกถึงพระสงฆ์ สาวกถิน่นนำพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่ให้พวกเข้าได้ศึกษาจากนั้นเขาก็นางเอามือร้องเหลวกอนจะเอามือรงเขาจะแผ่เมตตากรก็ได้ยอ่อๆข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นจัดอื่นวิ ญ, ญญาณอื่นทั่วใจโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาะจากนั้นก็เอามือรง ขอมือล่องอหายใจเข่าพุทธหายใจออกโธปันหายใจเข่าพุทหายใจออกโธพุทโทพุทโทไม่ต้องคิดไปทางอื่นอันนี้แหละวิธีการภาวนาะง่ายๆคันเข่าพวกเข่าหูจักนะเหายใจเข่าพุทธหายใจออกโธหายใจเข่าพุทธหายใจออกโธพุทธโธพุทธโธพุทเออแล้วก็นั่งนา่นปันไหนนั่นเท่าที่จะนั่นได้เอานาั่นที่สุดเอาไปเท่าที่จะนา่นได้เออเป็นชโจม้งโจม้งกูละ คานว่าเป็นไปได้นะแต่ว่าอย่างขี่ไล่กัระม่าณชักยี่สมิบนาทีก้อยออกจากสมาธิเวลาออกจากสมาธิเท่ากับปะน้มเมื่อขึ้นระวางอกซะก่อนพุทโธทัมโมสังโคไ ว, วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อีกครั้งนึงจากนกะเพรเมตตาเออบุญกุศลที่เขาไปเจา้าใดนั่งสมาธิเมื่อนี่ใดนั่งพวนาครังนี้บุญกุศลนันนี้ขอให้เป็นเครื่องค้ำชว บูชาด้วยบุญด้วยกุศลที่เขาไปเจ้าได้ทําดีนี่นั่งสมาธิในข้าวนี่ขอให้พอ่อแม่พี่น้องปุญญาตาย่ายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้คาโดยเทินยังขันจากจา ก, จากจันทร์จะค่อยออกอันนี้คือวิธีการนั่งแต่ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยบางคนพอนั่งเขาไปแล้วพุโทโธพุโทโธมันขึ้นไปแล้เวเขาปุ๋งไปนั่นแล้เวเขาแวบไปนี่แล้วก็า แ, แวบไปแลบแวบไปน่ เออทั้งที่เฮ้ากับวายาัให้มันออกหอกแต่มันนั่งออกก่าทำไปอันนี้แหะคือวิธีการนั่งมันเป็นยังสั้นเกือบทุกขู่ทุกคนนั่นแหะแต่เฮ้ากับพยายามพยายามนาั่งนั่งหลายขั้งต่อหลายหนมันแว บ, บไปพราเหตุใดตั้งสติให้แข็งแข็งขึ้นพอตั้งเข้าเนี่เออมันอ่อนไปมันคล้ายๆมันอยากจะรับตั้งให้แข็งขึ้นตั้งสติใตให้แข็งขึ้นตั้งให้แข็งขึ้นกำหนดบังให้ดีๆมันออกไปได้จังใดฮะพุทธ โทษโทพุทษโทษต่อไปถ้าไม่ความพยายามมีความตังใจอยู่จิตใจของเอาจะขอบสู่ความสงบเลยแต่หลวงพ่อขอแนะนาอย่างหนึง่งวิธีการนั่งภาวนาบางคนก็มันออกไปบ่อยมันออกไปเลยกรัหลวงพ่อบอกว่าให้ภาวนากำหนดเวลาจิตใจมันออกไปเองจันทรให้ภาวนาพุทธโทพุทโทพุทธโทพุทโ ท, ท, โทให้จิตมันจมเลยวันไปแต่บอต้องจมออกปากนะ ให้มันใจใจเขงเหาหน่อให้มันให้มันจมหมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทเอ่อว่าให้มันมีช่องว่างเลวยวันออกไปในใจเขาเห่าอันนี้ใจเขาเห่ามัมีช่องว่างตลอดไปนะแต่ว่ต้องเก่งการนั่งเข้าหน้าจะไปเก่งจะไปกึ่งนะจะไปเพ่งมันมากนะถ้าเพ่งมันมากมันปวดหัวเออมันปวดศีรษะเออมันบ่สบายบางที่มันแน่นหนาอกมันไปเพราะฉะนั้นเข้าให้เข้าน่าแบบสบายสบายกำหนดแบบสบายสบายเหมือนกับเข้านั่งอยู่ธรรมดานี่ แต่ให้มีสติเน hey, so you ี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ่ต่าะเลยนี่แหละอันนี้คืออันหนึ่งอันที่สองวันอันที่สามหนึ่งหลวงพ่อเคยแนะนํำว่าขณะว่ามันจิตกะใจของเขามันจะซะแวบออกไปอยู่ให้ล่องรองนับเปังเน่าปให้ลองรองนับเบังนำหายใจเข่าหึงหายใจออกสหายใจเข่าสามหายใจออกสี่หายใจเข่าห้าหายใจออกหอจนหอดลอยแล้วก็กลับมานับหนึ่งใหม่อีกหอดลอยกลับหอดนับหนึ่งใหม่ เอาสักเก่าเถื่อซิบเถื่อหน่อไปเออเข้าจะหูกจะพอจิตใจของหอบมันออกเป็นจังใดคันวานินดใจเรีว่าเวลาเข้านับเนี่ยเวลาหายใจเข่าหนึ่งเปนบอ่อหายใจออกสองเวลาหายใจเข่ามันเป็นเลขขี้นะเออเวลาหายใจออกมันเป็นเลขคู่นะสองเนีสามเนี่ยสีหนะ้าหกเนี่ยเออถ้านเวลามันจิตใจมันจะออกมันจะเบอร์เบอร์เบอเบอร์ล่ง มันจะออกหายใจออกซิบสี่หายใจเข่าซิบหายใจออกอืหายใจออกซิบผาหายหายใจเข่าซิบหกเลยบาดเนี่ยมันสลับกันเนี่ยเนี่แปลว่ามันเลขเลขคู่หายใจเข่าเลขขี่หายใจออกระบาดเนี่ยนี่แหละให้พวกเข้าสังเกตเป็นวันเข้าจะงหูจักเลยเออเวลาเข้านางเขาวน่าเนี่ยมันมันเผลอดูขนาดใดนเนี่ยเนี่ยมันเผลอรู้บ่อยเวลานางนาไปมันเผลอปั๊บเข้าจะงหูจัก คำว่ามันเผลอดุรุนมันโมเ ม, มนผลผลดีเด้เฮ้าจะไปดีใจครับมันเผลอเด้เพราะว่าเฮ้าเผลอดูุรุนเผลอเผลมเป็นบาเลยง่ายๆเลยเพราะมันขาดสติบอยมันบละเพราะนั้นเฮ้าอย่าไปอย่าไปฉลาดใจคำว่ามันเผลอสติโอพวกไหเลยเฮ้านี่ยขาดสติบอยไปเฮ้าอาจจะมีการปุงฟุ่งซ่านบางเสียงบางอย่างอยู่ทำจิตใจของเฮ้าปุงออกทั้งนอกเฮ้าจะต้องพยายามให้ที่สติให้เข้มแข็งกว่านี้อีกจากนั้นก็นับหนึ่งสองสามสี่ หายใจเข่าหนึ่งหายใจออกสองเนละจนหอดลอยขั้นบาเผลอเฉลยแนตะ่แปลว่าจิตของเขาอยู่กับตัวของเขานี่หนึ่งหน้าที่ ก, กว่าเด้์นับหนึ่งเทิอรอยนะเน่ยเพราะนั้นขอให้พวกคณะศรัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกทุกคนนะ่ยฝึกหัดเบ่งเรื่องการนั่งสมาธิเนี่ยโดยมากคูบายอาจารย์เพื่อนมิตรสอนเรื่องท่านเรื่องศีลเรืเ่องภาวนาไกลๆธรรมดาแต่หลวงพ่อนี่เ อ, อเห็นคณะศรัทธาญาติโยมบางกลุ่มวาหลวงพ่อจะพยายามแนะนําให้ภาวนาเบ่งนี่ เพราะว่าอเนกสงแห่งการภาวนานอเนกสงหลายเนอะพระพุทธเจ้าคูบาอาจารย์เพิ่นบอกให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริรรสุทธิ์ลอยขัางสูนังภาวนาจิตสงบข่างหนึ่งบอ่อใดอเนกสงมากถึงขนาดนั้นละอั น, นการภาวนานี่คือเป็นการที่จะตัดภพตัดชาติจะเข้าไปสู่มรรคผลในพ่านเออจะไปสู่มรรคสู่ผลเออมันต้องเรื่องภาวนา เพราะนั้นขอให้พวกเข้าคณะชาติญ า, า, าเนียโน้มทุกหลานทุกคนเนอให้ภาวนาออตั้งอกตั้งใจภาวนาเบิ้งจากนั้นกระทําจิตให้สงบออบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเนี่ยเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยจิตสงบมันเป็นจย่างไรบ้างเนี่ยพวกเข้าเขาคงอยากจะหู้จับว่าจิตจใจสงบแล้วไม่เป็นอย่างไอขั้นภาวนาเขาไปแล้ว ลงพอจะบว่าให้ฟังเป็นเป็นแนวทางเอคือภาวานาจิตใจสงบเลยกําหนดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปนี่ยมันจะเย็นวาบอมันจะมีความรู้สึกเย็นเข้าไปสู่จิตใจของเขาลึกๆวนออกไปอันนี้เพราะว่าใจของเขาจะจะเข้าสู่ความสงบแหละเนี่ยข้าจะว่าเป็นสมาธิกับว่าคณิกะสมาธิวนออกไป เลื่มเป็นสมาธิแต่ได้บานเนี่ยพ่อห่อใจพระทรงออกนอกเนี่ยใจของห่าพระทร์ออกพูนออกเปลียนใจจะเย็นว่าบเขาลึกๆในจิตใจของเขาเพียงแค่นี่ห่อก็เรื่องเบาลงเหล่านอไปโอ้ใจมือนั้นห่อนัง่งภาวนาเป็นอย่างมีความสุขถึงขนาดนั้นวะเคยมีความสุขแตจังสั่นเลยเนี่ยต่อมาเห่อพยายามแต่อย่าไปเอาความเอาความเกามา่อนเอาความเกามาคิดอีกนะมันผ่านไปเลยพานไปเพราะต้องมาคิดอีก เขากับพยายามภาวนาต่อมาอีกเอกภาวนาอย่างเก้านั่นแหละภาวนากำหนดแบบเก้านั่นแหละภาวนาไปเรื่อยๆจนจิตของเข้าเนี่ยสติกับจิตใจของเข้ากับกับสติเนี่ยคล้ายๆกับว่าควบคุ่กันใจคิดอนอย่างสติควบคุ่เห็นรู้ว่าใจคิดในอย่างขณะนี่ใจของเข้าคิดเรื่องในอย่างขณะนี่เดี๋ยวนี่อันนี้แปลว่า เข่าคันอุปจาระสมาธิแต่ว่าขันวมันจะงบลงกว่านั่นเองแปลว่านิ่งเลยเข่าอยู่นั่งอยู่ใส่เข่าโบหูเขานั่งอยู่ใส่โบหูเสียงยังบอดอีกเงิน ม, าม้านมืดแปลว่านั่งนิ่งจนโบหูสักจากหนังฝาตกฝนลงเสียงรถเสียงล่าบอดอีกเงินทั้งมดอันนี้เป็นว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิ จิตที่เป็นอัปปนาสมาธิบอมันนั่นรับเลยคล้ายๆกับว่าจิตเป็นอะไดสติเป็นอันนั่นสติเป็นอะไรจิตเป็นอันนั่นจิตกับสติน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งนอนไปจิตในแปลว่าจิตร่วมสูงสุดในการทําสมาธิเรียว่าอัปปนาสมาธิแต่มันกระถอนขึ้นมากขึ้นกันจากนั้นกระถอนขึ้นมากกับเป็นปกติแต่ว่าเฮาจงหูมีความรู้สึกว่ามีความสุขมาก มีความสบายใจมากจิตปลอดโปร่งมากจิตติพานความสงบนี่นี่ในลักถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่านาฏิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะนั้นให้พวกเฮาฝึกมาหน้าจิตใจให้ภาวนาเนี่ยจิตใจใสงบน่ยจิตใจเป็นนึ่งเนี่ยเป็นจงังไรนี่แหละให้ภาวนาบางโนในเมื่อจิตผ่านการสงบมาแล้วพิจารณา ผ่านความสงบมาแล้วเขาสู่จากด้วยตนเองอีกต่างหากท้าบาทตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนเนี่ยบ่ต้องไปถามไผ่เลยวันนั้เอยสงบอดไม่ได้สงสัยในตัวเจ้าของเลยตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูตเนยตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนยืนหยัดกับเจา้าของได้เลยบานเน่ยบ่ต้องไปถามไผเพราะเหตุใดจึงยืนหยัดทั้งสั้นเพราะว่าเมื่อจิตสงบลงไปเนี่ยมันเจ็ตนิ่งลงไปเนี่ยร่างกายมันเป็นอันนึงเลย ใจมันเป็นอันหนึ่งมันคนละอ่านกันอคือกันกันกบรถกับคนขับรถนั่นถึงจะเป็นรถก็จริงยุแต่คนนั่งอยู่ในรถ น, นหู้จักเลยว่านั้นไปอรถเนี่ก็คือร่างกายของเฮาแต่คนขับรถกันคือใจต้องอาศัยร่างกายร่างกายก็ต้องอาศัยใจคันาว่าจิตใจออกจากร่างเนี่ยร่างกายก็นอนอยู่ซื่อเราวนนั้นไปมิแต่สีเทาเท่า น, นั้นละ่ะอเพราะใจออกจากร่างแล้ว แต่ถ้าว่าเจ็ดใจเขาประยุท์ในร่างกายร่างกายของเขาเนีปกติดีคือ ก, กันกับรถมันสมบูรณ์พอมีไอ้ยังเสียน้ำน้ามั่นไอ้น้ำรอลื่นสายพงษ์สาย พ, า, ยพานถูกสูบไปยังดีมันี่มันก็วิ่งได้แต่ถ้าว่ามันรถมันเสียลูกสูบมันติดสายพานมันขาดลยรถขะนั่นกับไปบอได้มันกระจอดก็หู้จักเลยว่าอืออรถคันนี้ มันจอดแล้วแต่ว่ารถมันถูกวบบัตรไงรถมันบ่ถูกเด้เเฮ้าจะไปหาโคตรรถมันจะถูกเด้คอนถูกมันสเชอโยนว่ารถนะแต่ว่าคนเจ้าของรถนี่ถูกวันเอาไปโอ้ตายเที่จังไหนสี่สองรถคันนี้ได้ออนเอาไปนี่แหละอันนี้ร่างกายของเฮ้ากับใจของเฮ้าก็คือกันกับจังสันล่ะเวลาเจ็บไครได้ป่วยนี่ใจของเฮ้านี่ป่อยู่กับเหนือกับตัวแล้ววนหลงของหลงของหลงของของนวัตชิรักษาจังไหนสิรักษากายจากของจังไหน เสเอาตัวหลอดยังไงสมมติ ว, ว่าหิวเข่าสิเสียหาเข่ามันจะได้ให้ให้ให้ลดกิน่นมันทั้งไปให้ล้่างเลี่ยงร่างกายมันไปหรืสีอยู่ได้มันเไปนี่แหละใจใกายกับใจอาศัยกันยังสั้นละ่ะเพราะนั้นถ่าว่าพวกเข้าพ่อวนาเข้าจงหูได้ด้วยตนเองเลยเข้าพอต้องถามไผเลยว่นเอาไปตายแล้วเกิดหร้อตายแล้วสู์เลยพอต้องสงสัยเลยแมันชัดเจนขนาดเลยวันเอาไปนั่งพ่อวนานใจก็เป็นอันนึ่งร่างกายเป็นอันนึง แต่ร่างกายนี่แต่ตายสลายแน่นอนแต่ส่วนจิตใจคือ น, น้ำ ม, มาทามตัวนี่บ่อตายไปปฏิสนธิไปหาเกิดมองไม่อีกคานว่าร่างกายตัวนี้รถคะแนนมัตสภาพเร็วสิทันตายแล้วทันใจเขาออกจากร่างทันทีแล้วขยับมองหันขยับมองหนึ่งมันบ่อไปเลยเ ด, ด้รถมันตายแล้วน้อไปเจ้าของรถกครจะเห็นจากไหนบ่เนี้ยครับกับคร์บูไรอะไรกับบอมี่มันวัดอะไรล่ะจาเป็นก็ต้องหนีทันแล้วเนี่ยขันมันพอมีอะไรเปลี่ยนกับ เปลี่ยนได้อยู่อยงเขาเปลี่ยนไห้อย่างหมอก็เปลี่ยนอะไรไห้เออมันกลับไปได้แต่ว่าขั้นมัดอะไรบานเนี่หมอโอนหมดความสามารถแล้วไงสอบบัตรเราลดขั้นเนี่ยนั่นแหละท่านี่วิญญาณขึ้นใจของเฮ้ากอ่ออกจากร่างกายตัว น, นั้นแหละบานเนี่ยออกจากร่างกายของเฮ้าล่ะบาทาหานี่เมื่อออกจากร่างกายบานเนี้ยคานว่าเฮ้ามีทุนบานเนี้ยเฮ้ามีเงินเฮามีเงินคือเฮ้ามีบุญ คณะที่เข้ายัางมีชีวิตอยู่นเข้าสางบุญสางกุศลไหวพระสวดมนต์นางภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้สนอนไหวพระยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชะะนะเป็นที่พึงล้วนแล้วแต่สางบุญทั้งหมดที่ผ่านมาไหวพระสวดมนต์นางภาวนาให้ท่านรักษาศีลอย่างพวกเข้ามาทํำวัดเมื่อนี่แหละมากาบมากไหวคูบาอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจของพวกเข้าอันนี้แปลว่าเข้าตั้งอยู่ในความบวประมาทในชีวิตของเข้า เขาเสาะแสวงหาบุญกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจขั้นนว่าผู้ใดมีบุญมีกุศลในจิตในใจขั้นว่ารถคั้นหนีมั่นเสียหัวนปออกจากรถคันหนีโอ้ลดขั้นหนีมัดแล้วมัดสภาพแล้วขั้นว่าบุญกุศลในใจของผู้นั้นมิลายไปทั้งนาแปลว่าบุญในใจของห้ามันมีมากเข้าจะไปซื้อลดขนาดใดก็ได้บ้านเนี้ยลดราคาแพงขนาดใดก็ได้เพราะเหตุใดเพราะว่า เข้ามีบุญบุญกุศลในใจแต่ทาว่าพวกเข้าเกิดมาพบนี่ชาตินี้บ่เชื้ออันในบาปในบุญบ่ได้ทำคุ้นประโยชน์บ่กรลพอมแม่อีกต่างหากบ่ขรลกฎหมายบั่นเมื่ อ, อีกต่างหากความชั่วเสียหายอยัางทหมดทุกอย่างหาั์ตดัดชีวิตกินเหล่าเมายาสุล่านาลี่สิ่งที่มันชั่วสาเสียหายเข้าทำ แปลว่าสะสมบุญเขามาสู่จิตใจเอาบุญเอาเอาบาปเขามาสู่จิตใจบาปเขามาอยู่ในคลั่งของใจแปลว่าบ่ได้สนใจในการสั่งบุญสั่งกุศลเพรอออกจากภพนี่ชาตินี้ออกจากมนุษย์ในข้าวนี่แหละแปลว่าเมิดแต่บาปเออเมิร์ดเรวบ่มีบุญบ่มีบุญที่จะไปสื่อรถขั้นใหม่มีแต่แต่บาปเออบาปมันสื่อบ่ใดไ ด, ได้ให้ความทุกข์ความจนมันสื่อรถบไ่ไดได้ พ่อท่านก็ต้องไปใช่กรรมของตัวเองไปตกนรกถ้าว่าทํากรรมหนักก็ไปตกนรกถา้าบ่ถึงขนาดนักก็ไปเกิดเป็นเปรตออกจากเป็นเปรตกลับมาเกิดเป็นชัดจิรฉานออกจากมาชัดจิรฉานก็มาเกิดเป็นมนุษย์หมูหนวกตาบอดบา้บาใบบ้าใบไปละบลัดนี่แหละอันนี้คือบาปกรรมอภุศล์ให้ผลถ้าบุญกุศลให้ผลออกจากชาตินี่ไปกับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างหน่อย ออกจากการกัเป็นมนุษย์กับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปเลือกเกิดได้วันไปเพราะห้องมีทุนเลยไปเลือกเกิดลูกเศรษฐีมองได้รุยๆเข้าไปเกิดเพราะบุญกุศลเท่าได้สางไ้แล้วออกจากหันออกจากว่เกิดเป็นมนุษย์โอ้ยว่เกิดเป็นมนุษย์ดอกเบื่อเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็ได้อันนี้ไปเลือกเกิดได้ไพเพราะเห็ุใดเพราะบุญกุศเลเท่ า, า, า, า, กกดดามีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ไปตัสรลุที ข้นตนโพ่นี่วันเดือน6กเพ่นเนี่ยเป็นว่าปุเพเนวาสานุสติยานจุตูปปาตายานนี่ในการจุติของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายเนจุดูปปาตายานตัว น, นี้น่ะการเกิดการตายของสปปรรพสัตว์เป็นหยังเขามาเกิดที่นี่เพราะบาปกรรมหยังเขามาเกิดที่นี่ออกจากนี้แหละเขาจะไปใสถ้าเขาข้นผูดที่ทำบาปทำกรรมเนี่ยทำกรรมชั่วจึงสี่จะไปเกิดไปไส่ผูถ้ำบุญสร้างบุญสั่งกุศลจะไปเกิดเป็นหยัง พระพุทธเจ้าผนหู่มัดวิธีวิถีทางเดินของจิตของใจเพรานั้นขอให้พวกเขาออยาดย่อมทุกข์ทุกค์น่ะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สร้างสมคุณงามความดีสร้างสมบุญกุศลเขาสู้จิตเข้าสู้ใจตายแล้วบ่อสูญได้ตายแล้วเกิดอีกได้อยากจะหูจักก็ยังทีลงพอได้๋วบอให้ฟังเนะ่ยนั่งสมาธินะ่ะอนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าพ น, นั่งสมาธิก่อนได้เพราะยังจะหูจักว่าปุเพเนว่าสานุสตนนะิญาณเนี่อ พ่อจิตของพระองค์เขาสู่ความสงบใดเพลินกิดระลึกชาติทนหลังใดเนีย่ยว่าปุเพนี่ว่าสานุสติญาณระลึกชาติทนหลังใดอันนี้คือกัรน่ะพวกเข้าอยากจะฮู้จักว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนยนานรกสวรรค์มีจริงบ่ให้พวกเขานั่งภาะวนาอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าววิธีการนั่งยึดพระไตสรสารณคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสราระเป็นที่พึ่งให้นักแน่น คันว่าผู้ใดนักแน่นเลยผีสางหน้าใหม่เขาบ่เถิงเลยคันว่าผู้ใดทำร้อนร้อนแล้แร้เลยนีย่าทำขึงขึงกลางๆลานะบ่ไรเด้เอีผ e ีเขามากใกล้ได้พอนางไปเพราะนั้นพวกเขา้ายดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เข้มแข็งเอาพระไตรสรณค้มให้มันคงเพราะพระพุทธเจ้ามัดยศมดยดจากกิเลสเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเปรตผี e ทั้งหลายเขาลบพระพุทธเจ้ามดพระพุทธเจ้าเป็นผู้มดยดจากกิเลสเด้ พวกพูดผีปีศาจขนาดพ่อมลงมาแตยังมีกิเลสอยู่เที่ยวดาก็มีกิเลสรากหาโทษสาโมหะถึงจะไปเกิดเป็นพ่อมกว่าเถอะบัตหะกับลงมาจากพ่อมมาเกิดเป็นชัศสาลาสิงห์ก็มีอยู่คื้กันเพราะเหตุใดเพราะวากิเลสมันพามันพาทำกล่ำเลยกิเลสคว่ำกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันพาเหตุกล่ำชั่วเลยมันตกตำ่ำใดทั้งมดทา ม, มีกิเลสอยู่ในใจมีแต่พระหันธนานมดยดจากกิเลส มาม่าเวียนไหวตายเกิดที่มิตรสูงอย่างเดียวเพราะนั้นขอให้พวกเขายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เน่าเป็นชณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็ให้ไหวพระสวดมนต์แล้วก็ให้นั่งภาวนาวิธีการนั่งภาวนาหลวงพ่อได้สอนนะเดย์นั่งจังไหนนั่งคัดจามาธีปนมเมื่อไหวคู่สะกอนพุทโธธัรมโมสังโธจากใ น, นให้ภาวนามีสาสี่สามบรรดับหายใจเข่าพุทหายใจออกโทธอันที่หนึอันที่สองก็พุทโธพุทโธพุทโธ อันที่สมก่อนหายใจเขานับหนึ่งหายใจออกนับสองให้มีสติในการนับจนถึงลอยให้ย้อนมาอีกชักสิบครั้งจากนั้นยังคอยพ่วันหน้ากำหนดล้มหายใจเข่าพุทหายใจออกโทษต่อนี่แหละวิธีการจากนั้นจิตใจเขาสู่ความสงบเมื่อจิตใจสงบแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละเข้าจะรู้ได้ด้วยตนเองคขาวานนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เทาจะหูได้ด้วยตนเองเพราะนั้นขอให้พวกเาาาท่าคณะชทตาญาติโน้มทุกขุทุกคนเนอะนี่แหละมาสู่วัดว่ า, าศาสนาคู่บาอาจารย์หลวงพ่อก็ได้แนะนําวิธีการทําบุญสั่งบุญอันยอดตอ น, น, นไปถ้าว่าจะไม่ทำไมจึงวายยอดยอดในการทำบุญเพราะพระพุทธเจ้าประทับคําสอนเพิลวาไว้เลยเด้ให้ท่านร้อยขังสู่รักษาศีลขังนึงบ่อได้รักษาศีลบริชุทด ร้อยขังสูนังพาวนาขังนึงบ่ได้แต่ว่าทำไมทำไมคนอยู่บัวนังภาวนาหลวงพ่อเอาหม่องมงเอาหม่งเอาบุญบุญหลายหลายหลบไปยังก็ได้อยู่คือกันแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเลอแกวเนื่องกันท่านศีลภาวนามันเกี่ยวเนื่องกันแต่เจนนางพาวนาอย่างเดียวก็ได้บ่ไปยังแต่ว่าห้าอยู่ห้าวกินล่ะห้าอยู่ห้าวกินห้าเป็นอยู่กับหมูกับเพื่อน กับขอบกับคั่วกับพ่อแม่ปูย่ย่าตายายต่อประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้เราต้องมีท่านนําเลยต้องมีการเสียสละต้องมีท่านนะต้องมีการเกื้อกูลนุนกันเขาหนุนเฮาเฮาหนุนเขาแล้วก็รักษาสินคือรักษาคือบล่อยตัวเองไปเบียดเบียนผู้อื่นต่างคนต่างรักษาของไัยของมันบกหาสัตว์บกขโมยของผู้อื่นบ่อนลาบละห ล, ล, ะหลวงสามีภรรยาผู้อื่นบกขี่ตัวผู้อื่น บอกกินเหล่าเม้ายาถ้าให้คุอื่นทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนเพราะเขาเอาขับรถไปชนผู้อื่นเขาเนี่อย่าไปกินเหล่าเนอะขาคุณกินเหล่ามันขาดจิตติแล้วมันเหตุไปมดทุกอย่างคนกินเหล่ า, าลทํ า, ค, าทความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะนั่นอย่าไปดื่มชูล่าเดอ้ออันนี้แหละคือสรุปแล้วคือศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยท่านศีลภาวนาเนี่ยสามอย่างเนี่ยมันเหมือนสามขาหยังห่งออนไปอาศัยซึ่งกันและกัน พวกเข้าจะเดินไปสูมักสูผลไปสูมักผลในผ่านในต้องมีท่านคือการอยู่ร่วมกันต้องมีการเสียสละอย่างที่วานะแล้วก็มีศีลมีกฎกติกาการอยู่นําด้วยกันแล้วก็มีภาวนะาถ้ำจิตใจจังไยใจของเข้าจึงจะสงบใจของเข้าจึงจะนิง่งใจของเข้าจิตเข้าพิจารณาเห็นอันิจังทุกขังอนัตตาเกิดแกเจ็บตายพิ่ารณ่ายเห็นไตรลักษ จิต ใ, ใจของข้าวจะถอนออกจากกิเลสลากค้าโทษสาโมหะเป็นผูบริสุทธิ์ได้เนี่นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นนาทีของพวกเข้าท่านทั้งหลายเนอะชีวิตของพวกเข้านี่บ่อเทียงแทฉแน่นอนผูใตจังสันเอพวกเข้าอายุท้อไดแล้วเนี่ยอย่างหลวงพ่อเคยเา่านินนท่านเอเป็นนิท่านเป็นกติธรรมมาไปนิท่านกติธรรมมาแลไปเออเอ็นซีวัไนเอ ตาปานมัไปอตาปานตายมันไะพ่อตายอายุเจ็ดสิบปีตายไปม่นไปตายแบบกระท่านหันพ่อตายไปแล้วบัดโดยมากมันคนเมื่อวันโนดนี่อย่างที่คุณแม่ชี้แก้วพณบอกไว้เลยคุณแม่ชี้แก้วพนว่าโลกนี้โลกหาได้โลกนี้โลกหาได้อยู่มันไปหาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาโลกก็ได้หาสวรรค์ก็ได้หาหยดถาบรรดาสักก็ได้ หาลำหาร่วยก็ได้หาจนก็ได้หาเจ็เขาคุกเขาตล่างก็ได้ที่เป็นคนดีก็ได้หายังหาไดมัดโลกในโล ก, โลกหาใดวนันไปึ่งโลกี่เป็นศูนย์กลางศูนย์กลางในการสร้างสร้างคุณงามความดีสร้างครับความชั่ ว, ว่ันไปที่สร้างชั่วกันที่สร้างดีก็ได้โลกนี่โลกหาใดหาใดทั้งสองอย่างว่นหนึ่งเนนะีแต่นี่ตาปา น, นี่ก็โดยมา ก, กที่จะไปหาแต่ทังชั่วที่สุทานะ่ะ เออเที่ยวแต่แซ่ผุ่นแต่แซ่พี่เออแล้วแต่ทำมากค่าคล้ายเกิดเป็นทนายเก่าอีกต่างหากกันเอาไปเป็นทนายเกา่าหัวแข็งอีกต่างหากบาดทา้าวบ่าแล้วรอายุเจ็ดสิบ ป, ปีเลยตายพ่อตายไปในยมมรรทุกทหารยมมรรูุก็ล็อกแขนรอดแล้วเอาไปตายเลยเด้เอวล็อกแขนไปหาไปหาช่องบา ป, ปมันมีหลายช่องเลย พอกนึงช่องบาบไปนรกย่างเดียวมันไปอพอกนึงเป็นช่องเปรตช่องนึงเป็นช่องสัดที่ไรฉานอช่องนึงไปช่องสวรรค์มันไปสวรรค์ก็มีหลายชั้นขึ้นกันเด้ป้ายนี่เขาหลอกไปไปช่องช่องบาบมันไปช่องตีโต๊กนรกมันไปอแปลว่าช่องนักแต่ว่าช่องนักมันกับพ่อไปหอดพานกัมันก็มีหลุมนักหลุมเบาขึ้นกันเด้นรกมันไปแต่สุดแทนแต่ย่อมบรรทุดเขาจิ หาไปลุ่งกระทะมอไรวันนั้นไปม้าเนี่เขาก็ล็อกไปแหละล็อกลุ่งตาปานไปวันน่ะลุ่งป่า น, นี่ไปพอไปหอดอเขาไปไปน้ากันสองคตวันนไปมือเนีนตายสองวันนนไปนมกับเ่าวันนไปโ ม, มนมอายุยี่สิบกว่าปีแต่เ่านี่เจ็ดิบคนนันไปตาปานนี่เจ็ดสิบพอไปหอดเลยกัเขาก็เอาตาปานขึ้นก้อนวันไปขึ้นสัน ขึ้นศาลยมมรทูตก่อนห่พ่อขึ้นไปไปเห็นยมมะทูตนั่งข้าม ม, ามั่โยนออไปหนวดแขวงเออถือดาบอันดาบอยุ่ง่างคางคางมีทหารยืนเียงคางโยนไปเขินไปกับตาปานเนี่กิดแสดงความเคารพเอาเคารพยมมรทูตทหารมมรทูเอาอเคารพเคารพยมทูตเคารพเคารพเนี่ยตบปานกับเคยเป็นทนายทนายเก่ามาแล้วมันวะม่อย่ า, า, ยานิภัยเยี่แล้วน่ยไป ตาปานกระามแล้วนะยมประโทษพี่ น, นายทำกับผมไม่เป็นธรรมเลยพี่นายยมประทอะไรจับเอาผมมาก็ไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยเอามาแบบกระทันหันผมเป็นนี่เป็นศิลป์เป็นเท่าไหร่พิ่นายกงพี่นกรรมของผมก็ยังไม่ได้มอบให้แก่ใครแล้วจะเอาผมมาได้อย่างนี้เอามาอย่างนี้ไม่เป็นธรรมสาหรับผมเลยเออยู่ในไตรโลกธาตุนี่ต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน แต่นี้ท่านโยมทุกนี่ไม่เคารพสิทธผมเลยพนวดเอาผมมาแบบกระทันหนนันอย่างนี้ไม่เป็นธรรมพนวดเลยตาปานว่าลงไปโย ม, มบรรทูกกระต๊ะโต๊ะเปี้ยงเร็วหน่อไปยมบรทูกมีอำนาจเลยเด้แะลงปานเธอพูดอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้โยมบรทุกนะต้องพูดตามความเป็นจริงนะเราเตือนท่านไม่รู้กี่ครั้งมาแล้วเธอไม่ฟังเองเตือนเท่าไหร่ก็ยิ่งหมกมกมุ่น แหมยิ่งหลงยิ่งลืมไปเองแหม่ไม่ฟังคําเขาเตือนเลยทางลุงปานก็บอกว่าเตืนอนยศสายครับผมว่าเพราะเห็นเตือนผมสักเถื่อเนี่ยไม่เตือนได้ยังไงลุงปานใสแฟ่นเมื่ออายุเท่าไหร่ลุงปานก็คืดขึด้นอายุสี่สิบป่าครับทําไมจึงใสเพราะผมบางหนังโทรทัศน์บอชัดครับแล้วก็อ่านหนังสือบอออกครับยมวดถูก น, นั่นแหละ จดหมายฉบับที่หนึ่งเตือนแล้วความแก่เข้าใจไหมความแก่วันหนึ่งไปนี่แหละเตือนแล้วจดหมายฉบับที่หนึ่งี่ยความแก่แต่เธอไม่ฟังใช่ไหมคนขับพลวัาเด้จะไหมฉบับที่ทสองเตือนเอกฟันหลดเมื่ออายุเท่าไหร่ปานก็บอกว่าเมื่อ น, นั้นเขาเลี้ยงอายุห้าสิบปี เนีต่ตะปานกินน่องไกล่ลูกสาวน่องไก่มาเลี้ยงในย่ำแห้งฟันวั่นฟันรุดวนออกไปอายุหาสิบปีครับคนมาแน่นแหละจดหมายฉบับที่สองคนมาจากนั้นก็เตือนเรื่อยๆ เ, เห็นไหมผมขาวอายุเท่าไหยคนมาทีละเส้นสองเส้นจนขมขาวทั้งหัวเนะี่ยเตือนแล้วยังไม่ฟังอันนั่นแหละคือความแก่แกแล้วจะไปแก่ไปหาไหนถ้าไม่แกไปหาตายนเพราะฉนั้นต้องจําไว้นะอันนี้แหละยมมาทูดเขาเตือน เนีความแก่ความเจ็บความตายทําไมไม่ไม่ไม่ดูไม่ไม่ดูไม่แหละไม่ดูไม่ฟังเตือนเท่าไหร่ก็ยิ่งหมกมุ่นยิ่งหลงยิ่งลืมไปอีกแล้วจะว่าหาว่าเขาไม่เตือนได้ยังไงอันนี้เป็นความผิดของตัวเองไปทหารโยมทูตเอาลงกระทะซะเนี่ยเนี่ยเอาให้เข็ดซะเนี่ยเกิดมาพบหน้าชาติหน้าจะเป็นคนดีต่อไปทหารโยมทูตเขาก็เลยเอาไปลงกระทะเสวนาไปกักมันไปลุมไหลก็โมูหเราหนูไป บาฮาน่หมอนึงเขามากอีกวันี่หมอน่อยไปตายน้ำกันไหมท่านยมบัพโทครับผลมาได้ส่วนผมเลยผมยังอายุยังน้อยมากแต่คุณลุงอ่ะที่เมื่อกี้เนี่ยอายุเขามากแล้วเออที่ยมบัพโทเตือนหน่อยผมก็ฟอพอฟังได้ครับแต่สําหรับผมเี่เออตาของผมก็ยังไม่ได้ใส่แว่นฟันผมก็ยังไม่ได้หลุดผมก็ยังไม่ขาวอีกหูผมยังไม่ตึงอีกหนังผมยังไม่เหี่ยวอีก แล้วจะจะจัดฟ่าเตือนผมได้ยังไงครับแล้วเอาผมมาเนี่ยไม่ได้บอกเก่าผมผมเลยยง ม, มาทูดก็บอกว่าไอ้ไอ้นมเอเธอมีเพื่อนไหมมีครับมีเพื่อนอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เธออายุเท่าไหร่ผมยี่สิบสามครับเพื่อนของคุณของเจ้าเท่าไหร่ยี่สิบครับเอเอเขาตายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับตายทาไมใจพาะเขาเป็นไตไวายครับแล้วเธอเหร ผมเป็นโรคปอดครับนั่นแหละ เ, เตือนไม่ใช่เตือนแบบเดียวกันนะเตือนต้องมีหลายอย่างเอาคนที่ที่นาคนตายนี่ยที่เพื่อนของตาแก่ตายเนีน่ที่ไตาวายเน่ยตายเนี่ะ น, นั่นแหละเธอทาไมไม่คิดว่าเออข้าก็จะตายเหมือนกันกับเพื่อนของเราเพื่อนของเราก็ตายอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะขนาดเพื่อนของเรายงหนุ่ ม, มเออ อย่างดีๆเขาอย่างตายต่อหน้าต่อตาเราอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเหมือนกับเพื่อนเราเราควรจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทควรจะสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ควรจะบำเพ็ญกุศลเอาไว้ควรจะให้ทานรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์เอาไว้เราไม่ควรจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่างนั้นมันจึงจะถูกอันนี้เพื่อนตายแล้วเฉยเอยจะว่าเขาไม่เตือนได้ยังไง เ, เอาเอาเถอยังไปฏดธรรมกล้ำอะไรมากไปไปหาเกิดจ้ะ ยมบัตรทดเลยชงไปหาเกิดวันนไปเพราะนั่นพวกเฮาเน่ะไอ้ยมบัตูเตือนภายแดงเลยผมผมขาวสักเสร็จแต่หลวงพ่อในไซแวนเน่ยได้เห็นหมดเอ้ยงบัตูเตือนล่ะไอ้ผมหลวงพ่อขาไอขาวหลายเสร็จแล้ววันนไปยงบัตูดเตือนมาเรื่อยๆหลวงพ่อจังว่าตั้งอยู่ในความบอรประมาทหลวงพ่อจังว่าออีกสักมือใดมืบอลโมแมนมือใด ม, ม, มือหนึ่งล่ะไอ้หลวงพ่อจะต้องไป สูปะโลกไพ่ภาคหนาแล้ววนไปอพอได้รับผูใ้ใดเกิดมากยมม่อมบรรทุกเขาเขียนวีซ่าไปหาหมดเลยเด้นา่งนั้นนั่งนี่ไปหาเกิดเจะนะ้าและอีกสักมือหนึ่งเดี๋ยววีซ่าจะไปไปส่งไปหาเนดะ้อขันส่งวีซ่าไปหาแล้วจะได้กลับบ้านเก่าเด้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปเนาะให้สร้างสมบุญกุศลไปเนาะตายแล้วบอ่อสูตรเนดะ้ตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีนี่แหละขอให้พวกเขา คือปพังให้ดีน่ะแหย่อมบรรทูดเตือนอย่างแน่ผัเข้าทุกขู่ทุกคนน่ะเอมฟันแคลุดอย่างค่อคยค่อยรุดบ่อนคันพูได้ค่อยรุดแสดงว่าย่มบรรทุดเตือนล่ะบอกถึงความแก่เลยได้น่ะเอมความแก่ล่ะแหมต่อไปก็นนั่นล่ะเจ็บตายก็ถึงที่สุดชีวิตของพวกเข้าบ่เทียงแทนแน่นอนแหมถึงจะลอยปีก็เติ๋อมดสภาพฟันออกไปทุนอายุลอยปีนี่ประยุ่งหนาปยุ่งลังแล้วหอเพราะนั่นพวกเขานี่ วันที่ถึงปานนั่นเด้ะหาหกสิบเ็ดสิบปีเพื่อกัไปแล้วหลวงพ่อนี่หลวงพ่อนี่ยหกสิบหกนะลูกหลานนะปีนี้เนะเออีกสักปีก็ปูหูเราไปอสิไปหาพัญญาโยมบรรทุตัวหนึ่งไปเอาเายาย ม, มาืเเอม่อในหลวงพอว่อแววแนวความคิดให้แกคณะจัดท่าญาติโยมลูกหลานใดยินใดฟังพอเป็นแนวความคิดเป็นเครื่องประดับสติปัญญาอาบารามีของพวกเข้าทันทั้งหลาย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 ณะฟังจิตของผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสจุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังควรนจะเกิดปัญญาอะไต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการกินจินตนาคไข้ข้นทบทวนเออหลวงพ่ออินเนี่วเวามนี่แม่มนบนามือกายนาผา ค, คิดบางอีกมนแม่มนบนาอันนี้นว่าจินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการกินตนาข่ายข่วนทบท่วนสิ่งที่ได้ยินงในฟังมานั่นมันแมนบอมันถูกต้องบอมเกิดปัญญาคือว่าแล้วก็นํามาปรปับปรุงแก้ไขการเป็นดูของเฮาแต่ละคนแล้วก็ภาวนามาย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจใจให้สงบสกักก่อนจิตใจเห็นเน่งสกักก่อนยังนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาเอเนี่แหละอันนี้แหละคือ รักของพระพุทธศาสนาจากนั้นลูกพ่อก็ได้เว้าเรื่องพระไตรสรณะคมให้แก่พวกเข้าฟังพวกเข้าศึกษาให้หยึดพุทธให้คหยุดพระไตรสรณะคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตนี่และเป็นพุทธมามากะปัญนญะาไปหยุดอย่างอื่นจากนั้นใคภาวนาภาวนาทำจิตใจให้สงบจากนั้นก็นี่หละ เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่การว่าพวกเข้าปฏิบัติจังซีได้แล้วเข้าจะมีบุญกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจไปใส่เข้ากับบ่อตองเดือดร้อนบานี้ไปถึงจะตายจะพบในชาตินี้ไปบุญกุศลก็จะเข้าสู้ในจิตในใจเข้าไปเลือกเกิดได้วันออกไปคนมีบุญกัรนว่าคนมีบาปเลือกเกิดปวไรใดเลยคือการกับคนมีบ่มีเงินไปหาชื่อรถใดจังไหนคนบ่มีเงินถ้าคนมีเงินเต็มกระเป๋าอา ญ, ญานอบบ่แล้วยังอยู่ใน ในธนาคารเองเออเอที what what ่เอมก๊อตออกมาซื้อรถเนี่ยเอาคันราคาเป็นทอดไรล้านก็ได้พรอะไรเพราะมีเงินเพราะนั้นให้เข้าสางบุญนะบุญคือคือเงินเงินก็คือบุญคนบมมีเงินก็คือคนบริสังบริสนใจบริธรรมบุญบริสังคุณงามความดีไว้ในจิตในใจเพราะนั้นขอให้พวกเข้าคณะลูกกรานทุกขูทุกคนนะได้ฟังทําคํ่่่่ สอนของหลวงพ่อบนเหนือก็นําไปคิดนําไปพิจารณาแล้วก็นําไปประพฤติธปฏิบัติอีกต่างหากเลยคุณแมนนั่มไปฟังเฉยๆแล้วก็แล้วคุณแมนเลยนําไปประพฤติธปฏิบัติหลวงพ่อสอนหลวงพ่อหมั่นใจว่าหลวงพ่อสอนบอกเกา่าคณะชาติท่าญาติโยมหลูกลาเนี่ถูกต้องถูกทัง้งตามลักท่ำค่าสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าให้ยึดพระพุท ธ, ธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสละนะเป็นที่พึง่งเลยนะเอออันนี้เลิศประเสริฐละ พอ่อนั่นขอให้พวกเข้าประสบแต่ความสุขความสมหวังดังปาถนาต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พ่อน่นิ่ิหน้า